ลูกลักของพ่อตายตอนที่แล้วพ่อรู้สึกว่าพ่อจะพูดเลยไปนิดหนึง่งขอย้อนรอยถอยหลังใหม่นะเอาสักนิดหนึง่งถนนรู้ว่าพ่อเป็นคุณแก่แลงขอลูกทุกคนที่รักของพ่อความจริงพ่อรักลูกยิ่งกว่าตัวของพ่อ แต่พ่อก็รู้สึกว่าตอนนี้พ่อมีบุญลูกของพ่อทุกคนก็รักพ่อมากที่สุดทั้งลูกทั้งพี่ทั้งน้องทั้งแม่ต่างก็รวมตัวกันพ่อภาพไม่ถึงว่าความดีของลูกความดีของน้องและความดีของท่านแม่แต่ความจริงท่านแม่จะต้องบูชาท่านนะ ยังไงยังไงถ้าแม่ไม่ดีก็เลี้ยงลูกมาไม่ได้ลูกหนึ่งคนอาจจะแม่จะสามารถจะเลี้ยงลูกได้ตั้งร้อยคนแต่ว่าลูกร้อยคนอาจจะเลี้ยงแม่คนเดียวไม่ได้เป็นนาลูกของพ่อทุกคนเป็นคนดีน่ารักความจริงพ่อรักลูกทุกคนนะ ถ้าใครเขามาบอกว่าพ่อรักลูกคนนั้นมากรักลูกคนนี้น้อยแล้วก็อย่าไปเชื่อเขากําลังใจอย่าในั้วพ่อหมดไปแล้วแต่ลูกบางคนที่พ่อทักบ้างไม่ทักบ้างคุยบ้างไม่คุยบ้างก็จะลืมว่าพ่อคนเดียวดีไม่ดีพอ่ออลูกของพ่อมีมากพ่อเลยจําชื่อลูกไม่ได้พมือที่นั่งมองอยากจะทัก กอเชื่ออะไรเนอะนึกไม่ออกบางทีพ่อกับเล่าคนนั้นเล่าคนนี้ลูกที่ไม่ถูกทักอาจจะเสียใจก็อย่าลืมว่าพ่อคนเดียวลูกรักและลูกมากความจริงขอลูกทุกคนจงเข้าใจว่าพ่อรักลูกทุกคนสม่ำเสมอกันหมดทั้งเมื่อลูกทั้งน้องและยิ่งท่านเป็นท่านแม่แล้วก็ยิ่งเคารพมาก บูชาท่านมากเพราะท่านเป็นแม่ไ <c oughs> ด้ลูกทุกคนพ่อรักจริงกว่าชีวิตของพ่อลูกจะสังเกตได้ื่อเวลาความดีใดที่องค์สมเด็จพระจอมไตรบริมศากดิ์สดาษัมมาสัพพิตาเจ้าทรงสอนพ่อไม่ได้เคยเก็บเป็นความลับเลยไม่ได้คิดว่าลูกคนนั้นต้องสอนอย่างนี้ลูกคนนี้ต้องสอนอย่างนั้น พ่อสอนเหมือนกันหมดนี่สนแสดงว่าน้ำใจของพ่อแบบไม่ได้แบ่งความรักให้บุคคลมากกว่าบุคคลนี่น้อยพ่อจะเรียความรักให้ทุกคนถ้าว่ามีคนใดเขายมำบอกกับลูกอกว่า ด, ดูทีเดียเราเป็นคนจนนะเราฐานะไม่ดีเราเป็นคนท้่ไม่ไปจบพ่อไม่รักจะไปเชื่อเขา จะลืมความคำว่าคำว่าอคติก็ดีหรือว่าสิ่งที่เร่งกล่าวว่าเป็นอุปกิเลก็ดีสําหรับลูกนี้พ่อไม่มีแล้วพ่อมอบทุกสิ่งทุกอย่างไม่แต่ร่างกายและชีวิตเพื่อลกูกความจริงพ่อรักลูกยิ่งกว่าชีวิตของพ่อและลูกของพ่อก็แสนดี ทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นคำปรยกาศออกไปแล้วแตกเออกป็นไปลูกทุกคนปฏิบัติตนได้ดีพ่อยังถือว่าพ่อมีบุญที่พ่อมีลูกดีฉะนั้นขอลูกของพ่อทั้งหมดจงอย่าเชื่อคนอื่นที่เขามายุแยงแต่ชข็งแส <c oughs> เวลานี้มีคนส่วนมากเขาต้องการให้ลูกแตกกัน ทำลายให้แยกแตกตัวออกเอาไปออกเอาออกเอาออกไปเพื่อจะทำลายเพื่อติไทยให้พี่นาฏว่ากลุ่มของเราถึงแม้ว่าจะเป็นกลุ่มเล็กๆแต่ก็อย่าลืมว่าไม้เรีวหนามสองสามอันถ้าผูกไม้กันไม่ก็หักยากถ้าคนไทยเราต่างคนต่างรวมกันกลุ่มเล็กๆก็เป็นหลายๆกลุ่ม แล้วก็เอากลุ่มเล็กๆเข้ามารวมเป็นกลุ่มใหญ่เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันไทยจะรักษาความเอกราชของชาติไว้ได้และโดยเฉพาะอย่างยิ่งความเมตตาปรานีสิ่งกันแลยกันงานสาธารณประโยชน์โลกรักทำไว้เพื่อความเป็นไทยดูตัวอย่างสมัยพระเจ้าพังราชไทยต้องเสียานาจเป็นครั้งแรกในเขตไทยมันทุกข์ขนาดไหน ตอนนี้พ่อย้อนถอยหลังไปอีกนิดหนึ่งว่าเมื่ออายุได้12ปีตอนนั้นตอนเช้ามดืดปรากฏว่าท่านประกาพรมตามตำราบอกว่าเทวดาตำราชาวเหนือบอกว่าเทวดาก็ความจริงเป็นเทพบาคาพรมนั่นเองท่านประกาพรมเวลานี้ท่านกำลังทรงตัวอยู่ซึ่งพรม ท่านดีแสนดีท่านก็มาบอกนิมิตว่าบอกตอนเช้าไปที่แม่สายมันแม่น้ำอะไรก็ไม่รู้เพาจำชื่อไม่ได้นะคือแม่น้ำที่อยู่ใกล้ๆมันเป็นคลองไม่ใหญ่นักจะมีช้างเผือกลอยมาช้างเผือกตัวแรกถ้าลอยถ้าเอามาได้จะปราบด้วยโทษไตรพบ ถ้าตัวจับตัวที่สองได้ก็จะปราบได้ทั่วแหลมทองคา ว, ว่าไตรภพบนี่ยหมายว่าโลกนี้ทั้งโลกจะเป็นเจ้าโลกนะเขาใช้สรรพไตรภพถ้าหา ว, ว่าจับตัวที่สามได้ก็จะปราบขอมได้ทั้งหมดเป็นอนวาเวลาเชา้าตื่นมากขากราบทูลให้ท่านพอทราบ ท่านพ่อก็รับสั่งว่าถ้าเทวดาบอกอย่างนั้นลูกก็ปฏิบัติตามแล้วก็ชวนเด็กๆ เ, เพื่อนๆกันอีกสองร้อยห้าสิบคนไปชายน้ำเพื่อนั่งมองดูแทนที่จะเป็นช้างว่ายน้ำมากลายเป็นงูงอนขนาดใหญ่สีขาวโพลนตอนนี้ไม่ไหวจะเอาช้างกลายเป็นงูตัว ง, งูกัด ชูหัวมีงอนเป็นพญานาคเลยปล่อยให้ตัวที่หนึ่งผ่านไปตัวที่สองผ่านมาอีกตัวย่อมลงไปหน่อยแต่ใหญ่เกินก็เสาก็าผ่านไปเอา น, นึกในใจไว่าเทวดา บ, บอกว่าจะมีช้างมันกลายเป็นงูนี่ผ่านไปสองแล้วถ้ามาเป็นตัวที่สามช้างหรือ ง, งูก็เอาละ ตัวที่สามผ่านมาสีขาโพลงอนแดงจัดเด็กชายพรหมจินเจมบอกกับพวกว่าเอามันจะเป็นช้างงูตายเป็นตายนี่น้ำใจของเด็กชายพรหมโดดน้ำล็อกคองูพร้อโดดจับตัวงูท่านงู ก, กลายเป็นช้างเมื่องู ก, กลายเป็นช้างแล้ว ช่างก็เดินทนน้ำบ้านนั้นจะเนี่ยว่านความทนบ้านความท น, น, น, น, นจะขับจะใสจะทำยังไงก็ตามช้างไม่ยอมขึ้นทีนี้สั่งให้บรรดาเพื่อนไปกราบทูลพระจรชวินดาให้ทรงทราบ พ, พระจิวินดาก็ให้นำโหนมาโหนบอกว่าต้องทำกระพังทองคำพัน์ทนพันช่างไ้พันตำลึง เมื่อทำเสร็จแล้วทำร่างแหทองคำท่านในทักทุพิีขะพี่ชายนำไปเมื่อสวมร่างแหะเสร็จทองคำเสร็จที่หน้าผากแล้วก็เคาะอันนี้ก็เรียกว่าเคาะแผ่นทองก็แล้วกันเดินนําหน้าช้างก็ขึ้นจากน้ำตามมาด้วยดีมาตอนนี้ช้างในเป็นช้างเผือกเ้าพโพล งาใสมืงแก้วมองแววแพร่ๆระยยับให้ตาดีช่างรู้จักภาษาคนทุกอย่างการให้ช่างอยู่ว่า ต, ต, ตั้งตั้งโรงช้างพ่อสั่งทำลังไม้ทองคำสาหรับใส ย, ยาและใสน้ำตามธรรมดาช่างที่เก็บไว้ต้องใสปลอกแต่ช้างตนนี้ช่างเชือกนี้ไม่ต้องใสปลอก มีอิสารภาพทุกอย่างเวลาเด็กชายพรมจะไปไหนช้างก็รักจะเดินเข้าป่าเขาดงนำไปไหนสัตว์ร้ายทั้งหมดไม่กล้าเข้าใกล้แต่ว่าช้างก็รูสกว่าเป็นช้างใจดีเดินเข้าไปที่ไหนเข้าป่าใหญ่ถ้ามีช้างช้างจะเข้ามาหมอบราบคาบแก้วเป็นให้ได้กำลังกองทับช้าง ว่ามีม้าที่มีความสําคัญก็เขามามาแล้วก็มาอยู่กับช้างกองทัพก็ได้กําลังกองทัพมานี่เป็นอันว่าช้างนี่ก็คือพรหมที่รับอาสาว่าจะมาเป็นช้างเมื่อได้กําลังทัพช้างทัพมากองมา้าและช้างมีกําลังพอก็ฝึกเตรียทหารในด้านกองทัพมากองทัพช้างกองทัพราบ แล้วก็โคลแล้วก็บือที่สําหรับจะลากจะไถจะลากเกวียนเครื่องซาบียงอาหารก็พร้อมได้มาหมดด้วยกําลังของชาวแก้วใช้ประการชาวประกายแก้วช่างตัวนี้ให้น้ว่าพยาประกายแก้วท่านพ่อกับท่านแม่ท่านแม่เป็นช่างแต่งหาเครื่องประดับประ ด, ดามาแต่งให้ช่างได้สวยสดเพร่งงาม มา้มาม้าที่มีความสาคัญช่างรบทั้งหมดม้าทั้งหมดโครกระเบอือทั้งหมดถ้ามีเครื่องประดับหมดเครื่องประดับนี่ก็เป็นเรื่องของผู้หญิงผู้หญิงชอบทําำสวยๆทั้งช่างทั้งมา้าทั้งโคทั้งกบบระบือเป็นสัตว์แสนรู้ทั้งหมดสงสัยเหมือนกันว่ายานัทจะมาเกิดแบบทาหารพรราม เวลาเลี้ยงก็ไม่ต้องเลี้ยงคอก็ไม่ต้องตั้งเช้าไปหาอาหารเวลาเย็นก็กลับเวลาจะนอนน้ำก็นอนตามสบายเลือกที่น้ำใสนอนถ้าเวลาแรงน้ำไม่พอชาวบ้านเรามีบ่อไว้แล้ว <c oughs> ความจริงบ่อนี่เห็นเจ้าสางพูดผิดไปสางขุดตั้งแต่อายุสิบสองปี มีบอ่อมีน้ำที่อาศัยแบบสบายสบายพร้อมรบจิ้งเร่สั่งให้แข็งเมืองให้พระราชิเวดาไม่ส่งสวย <c oughs> ตอนนี้ไม่ส่งสวยนี่เตรียมรบพร้อมเต็มที่สร้างยุทธวิธีแบบกองโจนไว้สิบสองจุดว่าเราจะตั้งรับทับข้อมตรงไหนบ้าง แล้ก่อนโจรตั้งตรงไหนสร้างยุทธวิธีแบบกองโจรเสร็จถ้าประจันหน้าทับเลยกองโจรรอมเวลานั้นเป็นประเพณีก็ถือว่าถ้าไม่ส่งสวยถึงสามปีถือว่าแข็งเมืองแต่ความจริงเวลานี้มันเป็นเวลาเมืองแข็งพอสามปีไม่ส่งสวยพวกขอมหรือ ว, ว่ามอญฮริพุญชยัย อยู่ที่โยโนะแมคอยก็เตรียมทับแนวที่ห้าที่ส่งเขาไว้ก็ส่งข่าวว่าเวลานี้เขาเตรียมระดมพลพอเขาเตรียมระดมพลเราก็เตรียมเคลื่อนทับพร้อมไปด้วยสเสบียงอาหารการรบคราวนี้คนที่มีกําลังทั้งผู้หญิงและผู้ชายไม่แก่เกินไปและไม่เด็กเกินไปพร้อมรบ เขาฝึกไว้ดีเก่งกันไปหมดตั้งขบวนทัพรถลันเป็นปีซ้ายปีขวาแล้วก็กองโจนส้มดักทางแต่ว่าสัญญาณอยู่ที่แม่ทัพใหญ่คือพระเจ้าพรมเด็กชายพรมสำหรับพระราชวินธให้ทรงเครื่องกันใส่ครบถ้วนมีสเสวกขชายเก้าชั้นทรงอยู่ในช่างเป็นพิเศษเป็นจอมทัพ นละแม่ทัพในอกองทั้งหมดแต่งตัวสวยสดงงามการแต่งตัวสวยนี่มันเป็นตัดไม้ข่มนามทำให้เก่งอำนาจมีรา ช, ชบาตัตรเพื่อทหารประจำเท้าช้างเพียบพร้อมไปตั้งรับจูที่ตาบลสันสายเรามาจากไม่สายในโลกรัก้งหลาย เวลานั้นถามใครว่าทับรบก็ที่ไหนบอกว่าทางใต้อ๋อเหี่ยถูกนะเพราะเราไปที่เจียงแสนแล้วก็ตอบว่าทางใต้ก็ถูกเพราะสันทายทางใต้คุณโยนกนครนไม่ทราบว่าถามใครตอบถูกตั้งรับอยู่ตอนนั้นนี่เป็นอันว่ามังรายนะพระเจ้ า, ามังรายไกลามาเป็นเด็ชชายพรม พอจะขอ้อมยกทับมาก็ตามตามระเบียบของการรบเขาก็ต้องยกมาแล้วก็ตั้งยันแล้วก็ตั้งค่ายแล้วก็ตามระเบียบของเขาเถอะเขาจะตั้งค่ายตั้งรับตั้งยังไงไม่สําคัญยุทธวิธีในคราวนั้นก็คือเราใช้แบบสายฟานแลบเห็นขอมยกมา ทัพกำลังประจันหน้ากันของกำลองจะยับยังตั้งทัพตั้งท่าอาจจะเจนจากันก่อนเด็กชายพรมไม่ได้รอชาให้สัญญาณยิงธนูไฟกองทัพทั้งหลายทั้งปีซ้ายและปีขวาทัพหลวงเข้าโจมตีทันที บวกกองทัพตัางหลายของมอนไม่มีทันตั้งตัววิง่งหนีเพราะช่างพลายเปลือกายแก้วเป็นช่างที่มีอานาจมากแล้วก็ช้างและม้าต่างๆที่รวบรวมเข้ามาเดิ่มหน้าทั้งพลายเปลือกายแก้วเข้าใจว่าจะเป็นช่างทวดาช้างเทวดามา้าเทวดามีกําลังมากเข้าไล่พิฆาตเข่งฆ่าฆ่าเสกทันที เป็นอ น, นุรบทั้งคนลบทั้งสัตว์ทั้งม้กระโขกศัพท์ไม้ฆ่าศิษโอสัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นเห็นช่างพลายเปลีกายแก้วเกาวิ่งหนีหางชี้สู้ไม่ได้พวกกอร์โนจนเห็นได้ทีก็ยิงธ น, นูไฟยิงธ น, นูสังหารมาจากสองข้างทางมอยก็แตกกระจาย ก, กระจายพัดเพลิงวิ่งหนีเข้าโยโหรนกนครวันเดียว แค่ครูเดียวก็เข้าถึงเชียงแสนอยู่นกตครพมาเข้าเขาก็ปิดประตูเมืองช้างพลายใบกายแก้วใช้งาแทงประตูเมืองพังทลายกองทัพของพรมมุกทันไลเข้าในเมืองพวกนั้นหนีเอาหลังเมืองเก็บของมาทันคลัวกันไปไล่กันไปสามวันสามคืนจริงๆมีคําสั่งว่าขึ้นชื่อว่าของ ถึงแม้ว่าจะเกิดในวันนั้นให้ฆ่าให้หมดคำว่าขอมจะต้องไม่มีอยู่ในพื้นปฐพีนี้นี่ก็รู้สึกว่าจะโหดเหี้ยมเดือดร้อนกินร้ายร้ายกาดมากเกินไป <c oughs> แต่ความจริงคำว่ารบต้องมีจิตใจเป็นเจชหาตจะต้องสังหารฆ่าศึกให้บมนาตไป ตีกันสามวันสามคืนไม่ยังไม่หยุดถ้าจะถามว่ากินข้าวที่ไหนกองทัพสมัยนั้นเขาใช้ข้าวตากขวรหรือข้าวตากที่ยังไม่ขวใส่ทุงย่ามมีน้ำติดแต่น้ำหาไม่ยากก็ตีเด่นยี ตีกันไปวิ่งกันไปถลกก็กลัวกันไปพวกของล้มตายในการเหยียบกันตายบ้างช้างมา้าเหยียบกันตายบ้างถูกสันธาวุตตายบ้างการประทะ ก, กันครนั้นเราก็เสียไปบ้างไม่ใช่ไปเสียเวลาที่บุกเขา้าไในเมืองเขาก็ต้องสูง้แต่สู้ไม่ได้เขาหนีพวกเราคําว่าถอยไม่มีมีแต่บุกอย่างเดียว สามวันมาถึงทุ่งทับยังคำว่าทุ่งทับยังนี่ไม่ใช่อำหน่ายของพระอินที่มายัง้งสามวันเห็นกองทัพเปรียก็สั่งยั้งทัพสั่งยั้งทัพรวมผลไปที่ตำหนิบ้านชมผลทักเหนื่อยเอาแรงสามวัน รวบรวมดูกำลังที่ติดตามเข้ามาเนี่ยเสียกำลังไปกี่คน <c oughs> เรียกว่ากำลังของกองทัพเราเสียไปบ้างนอเปล่าก็ดูว่าหายหน้าไปบ้างก็คิดว่าอาจจะวิ่งตาไม่ทันเลยว่าหลงป่าพร้อมเป็นป่าอาจจะตายบ้างที่มองเห็นก็มีอยู่บ้างเป็นของธรรมดาของคนที่สิ้นอาย่ไขแต่ว่าตอนนั้น ในชายพรมยุตสิบเก้าปีความจริงสมัยนั้นแค่ยุตสิบหกปีก็ให้แต่งงานแล้วเพราะว่าเป็นการป้องกันความเจ้าชว์เกินไปเรือถ้าไม่มีในท้ายไม่มีห้างเสียก็แย่พันยาที่รักถ้าหากว่าเป็นคนดีสามารถจะยับย้างสามีได้เป็นอย่างดี จึงนั้นจึงมีการแต่งงานกันการรบข้านั้นพัญญาเคารพด้วยเธอช่วยรบรู้สึกว่าเธอต้องเสียสิ้นชีวิตในขณะที่เข้าในเมืองของเขาเพราะถู่ข้าสิกรรอบทําลายข้างประตูเขาแอบอยู่เมื่อเห็นเมียสิ้นชีวิตคราวนี้ก็คิดฆ่าหนักขึ้นว่าเสียเมียแล้วต้องได้เมือง หอมทั้งหมดจะมีชีวิตอยู่ไม่ได้คราวนี้เองก็ต้องล่อกันเีการใหญ่ห้อยกันหนักพอเวลาที่ย่างทับหยุดพักสามวันพักเหนื่อยตีสามวันบุกป่าพาดดงขึ้นเขาลงห้วยแต่เวลานี้ถ้าจะเวนึกว่าเดินสามวันไม่ถึงและเวลานั้นเขาเด้ก็ชชานาน สามวันไม่ได้ย่างเฉยๆตั้งกองสอดแนมตั้งหน่วยรัตเวินเป็นอันว่าหน่วยกองทัพที่รัตะเวินก็ทราบว่าขอมพักอยู่ที่ไหนทำอะไรอยู่ที่ไหนวันที่สี่ <c oughs> เวลาสองยามเป็นเวลาวันกลางเดือนก็สั่งกําลังทัพเขา้าโจมตีขอมในเวลากลางเด็กฝันกันดา ทันนี้ขอมตา ย, นนยนนาดันีนรนาตตายคัอีกมากเพราะคิดว่าเราคขาไม่ตามไปเขานั่งรวมกลงกันรวมกรวมกลุมกันที่แต่ก ร, กระจายไปบ้านก็นมานั่งรวมกลงกมกมาจุดจุดหาทางหลบหาทางหลีกหาทางหนีสุกซ่อนแต่ก็ไม่ไี้พ่นหน่วยสอดแตมของเราขื้หน่วยอัตเวน หนูแยะดะเบยเห็นว่าสุ่มอยู่ในปา่าตอนไหนเขาก็เงียบไม่แสดงตอนใหนปรากฏมาตอนวันที่สี่ไร่ตีใหม่ฟันขิ้ค่ายเก่งค่า ข, ขอหมดไปเกินว่าห้าสิบเปอร์ซนที่มีอยู่แล้วก็ติดตามมาใช้วเวลาติดตามมาเรื่อยๆคราวนี้ไม่ต้องตีหนักเพ่าขอเหลือไม่กี่ตัวต้องเก็บเล็กเก็บน้อยเก็บที่นวนบ้างเก็บที่นี่บ้างก็สีเวลา ใช้เวลาหนึง่งเดือนก็ถึ ง, ง, งกำแพงเพชรตอนนี้ปรากฏวาทาโกศิสกัิวราชที่เคยเป็นพระราชีวิดาเคยเป็นพอ่อมาหลายแสนชาติที่ว่าลูกชายคนนี้เวลานี้แย่สร้างกรรมมากเกินไปจึงสั่งให้ท่านวิศนุการเทพบุตรมาสร้างกำแพงเพชร กั้นไม่กองทัพของพระเจ้าพรมเดินต่อไปนี่เป็นนิยายหรือ ว, ว่าเป็นตำนานถ้าสร้างกำแพงเพชรจริงๆแล้วก็รวยกันใหญ่ถ้าเนื้อแท้จริงๆแด้แบว่าท้าวิศนุกรรมมายับยั้งกองทัพของพระเจ้าพรมทำให้พระเจ้าพรมเห็นว่าทหารอิตรยมาก แการยึดดินแดงคราวนี้รู้สึกว่ากว้างขวามงม า, มากเกินกว่าที่คิดไว้เดิมทีมีกําลังอยู่จุดแค่เชียงรายเลยลงมาแค่พะเยาในเวลานี้เราได้พื้นที่มากกว่าหลายเท่าคิดว่าขอแต่กําลังได้หารก็อิดลรยมากทหารเด็กไม่เท่าไรทหารหนุ่มไม่เป็นไรทหารแก่ที่ไม่ค่มีฟัน ใช่จะหอบแฮกแฮกแฮกไปตามๆกันเหนื่อยด้วยกำลังของเทวดาแล้วทุกคนก็เห็นว่าพอจึงยับยังทับไว้แค่นั้นยับยังทับแล้วกลับขึ้นครอันเชิญพระราชนิพนดาขึ้นทะเ ล, ลาะราชสมบัติตอนนั้นปรากฏว่าพระเจ้าพังคาราีอายุทรงพระชนมายุได้สี่สิบสองปี ตอนนี้ก็แบ่งอาณาจักสสำหรับพระเจ้าพ ม, มหาราชรราชวินดาจัดพัญยาให้ก็ไม่ขอเล่าประวัติตอนนี้เป็นอนุว่ารักษาอยู่ทางด้านาำแพงเพชรนี่คุยกันใหม่ไปคุยกันมาน่ะจะมีอะไรหลงเหลือว่างก็ไม่ทราบเป็นอนันว่าคนไทยตอนนี้ก็ลืมต า, าปากมีความสุขสถานที่ก็กว้างขวาง ต่อมาสมเด็จพระพุทธโคศอาจารย์ที่เป็นชาวไทยใหญ่ได้นำพระไตรปิฎกกับพระบรมสารีริกธาตุมาพระท้าวไอ้พระเจ้าพันกราชพระเจ้าพันกราตจึงได้เอาลูกให้ลูกทั้งสองมาร่วมกันแล้วก็พ่อตาของพระเจ้าพระมหาราชเมียใหม่ เข้ามาช่วยกันบรรจุพระรมสาเรนิกทาตธิเบะธาตุจรกิตินี่เป็นอนว่ามังรายมหาราชก็ามาเป็นพระเจ้าพรมมหาราชเมื่อบรรจุแล้วก็สร้างเจดีย์เจดีย์ที่สร้างแล้วก็ทำทองปิดแปะทองนะไม่ใช่ปิดทอง คำว่าแปะทองในที่นี้กหมายว่ารีทองออกไปให้เป็นแผ ง, งบับานแล้วก็หุ้มตั้งแต่ยอดจนมาทั้งเต็มองเจดีย์เจดีย์ที่บรรจุพระรามสารีที่ธาตุความจริงพระรามสารีที่ธาตุในฝังไว้ใต้ดินทำเป็นอ่านทองคำและทำเป็นเรือซํำเผาทำเป็นมันโดบมบรรจุพระอกแก้วทองเงินมาก และก็งาช้างแม้ทุกคนในเวลานั้นมีความเคารพในองค์สมเด็จพระทศพจนมากต่างคนต่างก็บูชาเครื่องสักการะมิตรต่างๆฉะนั้นพระเจดีย์องค์เก่าที่ลูกหลานลูกทั้งหลายเห็นว่าสีเหลืองอาร่ามเป็นทองนะั่นเป็นความจริงพระองค์เล็กต่อมาองค์ใหญ่นีนพระเจ้าผาเมืองทรงสร้างทับเขาไว้ ถ้าไม่ทับ ก, ก็เข้าใจว่าเวลานี้ทองก็คงจะหมดไปเป็นอันว่าไทยเรีวกับเป็นไทยเมียอำนาจตามเดิมตอนเชราภาพหลังจากนั้นมาไม่นานนักพระ พ, พุทธโคสาจารย์ถ้าเมื่อท่านให้การบรรจุและชี้จุดว่าองค์สมเด็จพระสัสมมาสัมพุทธเจ้าทรงสังกเวยเสียไว้ตอนนี้ จึงได้บรรจุพระบรมสารีริกธาติ่นดอยน้อยนั้นแล้วทุกคนก็เจริญบุญสามรายการคือทานละใหม่บุญสมบเดชะการบริจาคทานศีละใหม่บุญสมบเดชะการอาศษาสินภาวนาใหม่บุญสมบเดชะการเจริญภาวนาในตอนท้ายของชีวิตพระเจ้าพังกราศได้ไปเจริญสมาธิ ที่วัดปากน้ำคำที่กำลังซ่อมบารุงกันอยู่เวลานี้จึท่านท่านได้ชาญสมาบัติเมื่อเวลาที่ท่านทีวงคตกปรากฏว่าท่านไปเกิดเป็นพรหมเวลานี้เป็นพรหมอยู่ชั้นไหนท่านรายงานบอกว่าเป็นพรหมชั้นที่สิบเอ็ด ทำไมไม่ขึ้นไปอยู่ชั้นที่สองท่านบอกว่าเวลานั้นท่านยังไม่ได้อนาคามีแต่เวลานี้ทรงความเป็นพระอนาคามียเห็นว่าพรมชั้นที่อเอ็ดอยู่ดีๆแล้วก็ไม่อยากจะเลื่อนไปเป็นั้นมาเรื่องราวของบุคคลคนเดียวคือมังรายมหาราชทิ้งเวลาปริยะหนึ่งไปเป็นพรม ก็ต้องโลดมาเป็นพระเจ้าพร ม, มหาราชในเป็นวาระที่สองของบุคคลคนเดียวแต่ว่าท่านพุ่นนี้นะพ่อหน้าสินได้ว่าเวลานี้ถ้ามาเกิดในเมืองไทยก็จะดีมากเอาไว้ว่าจบกิจของบุคคลที่เรื่องของคนที่ไปนอนิจจังหาความเที่ยงไม่ได้เกิดแล้วก็ตายทรงอยู่ก็เป็นทุกขัง เป็นตอนนี้สองของบุคคลคนเดียวที่ในระยะหัวเลี้ยวหัต่อใกล้ๆนี้เพ็นสองพันปีเศษก็ต้องเกิดมาเป็นวาระที่สองเนี่การเกิดเก็บจะถือแก่เจิบตายเป็นของแน่นอนวันนี้ลูกรักเวลาเลยไปหน่อยแล้วพ่อขอหยุดทพ่เพียง น, นี้เพราะความสุขสวัสดิภทพัฒนะมงคลสมบูรณ์ผลผลจงมีในลูกลักของพ่อทุกคนสวัสดี